กราบบูชาพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนขอกราบน้ำส ก, การหลวงพ่อกม้มพระอาจารย์ทรงศิรปเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกและขอเจริญพรญาติโยมแตาทั้งแม่ชีวาสุบวาสิกาที่มา ใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้บวชมาได้ปีกว่านีก็คิดว่าประโยชน์ที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์สูงสุดที่เราน่าจะต้องทำแต่ก่อนเราก็คิดว่าประโยชน์ที่เราจะทำให้กับชีวิตกับตัวเอง นะก็คือการมีอาชีพทำนะมากินมีเงินมีทองนะมีทรัพย์สินมีครอบครัวนะก็เป็นความสุขละนะเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันนะก็มาดูต่อไปว่าเอมันก็มีความสุขอยู่นะแต่มันก็สุขๆุทุกๆกนะก็มาดูประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก นะก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราเรื่องชีวิตของเรานะก็เป็นความสุขที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานะก็คือความเป็นปกตนะิความเป็นปกติของใจซึ่งมันไม่ต้องอิงไม่ต้องอาศัยวัตถุมากนะักนะเราก็สามารถจะอยู่ได้ ดยเฉพาะเมื่อมาใช้ชีวิตเป็นพระนี่ก็รู้สึกชีวิตมันเบาสบายขึ้นเยอะนะซึ่งเปรียบเทียบย้อนหลังไปดูชีวิตที่เราผ่านมานะก็เห็นว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันเบาสบายดีนะมันก็เป็นประโยชน์ที่ที่สูงขึ้นไปแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะที่ น่าจะต้องทําก็คือทําความดับทุกข์นะที่เกิดขึ้นให้แจ้งนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่ชีวิตนี้เกิดมาจะพึงได้กระทําแต่ประโยชน์สูงสุดนั้นนะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทองไม่จําเป็นจะต้องอาศัยวัตถุมากมายนะเรามีอาหาร นะที่ได้จากการบินบาตรนะจากคนที่เขาทำบุญนะแล้วก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานะพอให้ดำรงชีวิตอยู่ไดนะ้ไม่ต้องไปขวนขวายเหมือนตอนที่เราเป็นคารวาดนะในการที่จะไปหาอยู่หากินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าชีวิตมันเบาสบายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไดจากการที่ มาใช้ชีวิตนะปีกว่าๆกานะ็บวชมาก็มีความอามองเห็นว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจดีที่สุดละนะแล้วก็ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ที่เดินต่อไปได้เรื่อยๆนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองเห็นทีนี้การที่เรามาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะ การฝึกกรรมฐานหรือฝึกวิปัสสนาเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกมากนะสะดวกในการทำอาจจะเรียกว่าเป็นกรรมฐานสะดวกทำก็ได้นะเพราะว่าแตกต่างไปจากที่เคยได้เรียนรู้นะ ท, ที่มีอยู่ทั่วๆไปนะเช่นนั่งหลับตาบ้างบริกรรมบ้าง นะหรือมีการเพ่งดวงแก้วบ้างนะซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเป็นเพียงแต่ว่ า, าที่เคยฝึกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะและบางทีเราก็หลงไปติดสงบซะเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ไปจินตนาการนะในอารมณ์ต่างๆนะมากมาย แต่เมื่อได้มาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี่้นะก็เป็นการที่เราได้เรียนรู้กายใจของเราอย่างตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปอาศัยความคิดนะอาศัยจินตนาการมากนะแต่วิธีการนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนนะหรือว่า ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะจิตใจจะเป็นปกติสุขได้อย่างไร เ, เราลืมเราลืมตาเราเคลื่อนไหวมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะนี่ก็หลายคนก็อาจจะยังสงสัยหรืออาจจะยังไม่มั่นใจนะในวิธีการนะซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยเมื่อมาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยก็น่าจะลองดูนะ แทนที่เราจะนั่งหลับตาเราจะบริกรรมนะอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะซึ่งวิธีการเหล่านั้นเนี่ยถ้าหลายคนเคยผ่านมาก็าคงจะพอจะสรุปได้นะว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนตัวกระผมฤตามาเองนะก็เด็กเคยผ่านวิธีการฝึกแบบนั่งหลับตาคําบริกรรมต่างๆก็เคยผ่านมานะซึ่งก็มีผล ในแง่ของจิตใจสงบในขณะที่เรานั่งหลับตานั่นแหละในขณะที่เราบริกรรมนั่นแหล ะ, ะแต่พอตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆเราก็ยังมีอารมณ์ยังมีความรู้สึกชอบพอใจไม่พอใจอยู่มันก็เป็นความสงบชั่วขณะขณะนั่งหลับตาเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็มองเห็นว่ายังยังยังมีประโยชน์น้อย นะแต่เมื่อเรามาทำจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็เป็นการที่เราจ ะ, ะเผชิญนนะกับอารมณ์กับความคิดนะที่เอ่อมีอยู่นะที่แสดงตัวอยู่บ่อยๆให้เราได้เห็นนะเป็นกา ร, รเผชิญกับอารมณ์กับความคิดนะในขณะที่เรานั่งยกมือในขณะที่เรา เดินจงกลมนะมันก็จะมีความคิดมันจะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามานะชักชวนให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเร า, เารู้จักวิธีการก็คือการรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานตรงนีนะ้จะทำให้เราไม่ไม่หลงนะไปกับความคิดนะไม่หลงไปกับอารมณ์ที่ ปรากฏขึ้นมาหรือแสดงตัวขึ้นมานะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะการเคลื่อนไหวของกายการเคลืนะ่อนไหวของใจที่มันจะแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ในรูปของความคิดต่างๆ ถ้าเราไม่มีฐานตรงนี้นะส่วนใหญ่เราก็จะหลงไปกับความคิดนะหลงไปกับความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกดีความรู้สึกตัวของเราไม่ชัดเนี่ยนะเราก็จะหลงไปในอารมณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราให้สังเกตดูให้ดีนะตั้งแต่เราตื่นนอนนะถ้าเราตื่นนอนมาความรู้สึกตัวเราไม่ชัดเนี่ยเราก็เริ่มจะคิดแล้วนะจะทำอะไรจะต้องวันนี้จะต้องทำอะไรจะต้องวางแผนนู่นวางแผนนี่นะก็คือไม่ทันนะความรู้สึกตัวไม่ทันนะหรือเอ่อตอนไปบินทบาทนะ เราเดินก็ไปในหมู่บ้านนะมันก็จะมีเสียงเพลงนะเข้ามาที่หูนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราก็จะพอใจกับเสียงเพลงนะหรือว่าอาจจะล้องคลอไปในใจก็ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็คือการที่เราเอ่อไม่รู้สึกตัวนะเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมนะที่เข้ามากระทบนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราเผลอไปหลังจากกลับมาบินทบาสนะเราก็มาฉันอา่าฉันบินทบาฉันอาหารนะช่วงไปตักเนี่ยนะถ้าเราไม่ระมัดระวังนะเราก็จะมองว่าอะไรที่เป็นที่พอใจเป็นที่ไม่พอใจนะเอามาตักมานะตรงนี้เราก็อาจจะทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเมื่อ กินเคี้ยวดืม่มนะได้สัมผัสรสชาติของอาหารนะก็จ ะ, ะเกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเอามีความรู้สึกตัวที่ดีที่เราฝึกไว้เนี่ยนะเราก็จะรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้กับสิ่งที่เรากระทบนะกับโลกนะที่เป็นสิ่งต่างๆนะการที่เราฝึกความรู้สึกตัวนั้น มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะกลับคืนความเป็นปกติได้เร็วนะแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงเพลงเราจะลิ้มรสอาหารนะเราก็มีความรู้สึกตัวก็รู้อยู่นะรู้รสของอาหารได้ยินเสียงเพลงอยู่จิตใจเราก็เป็นปกติไม่ใช่เป็นจิตใจที่ตายด้านหรือว่าชาชินอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นจิตใจปกติที่รู้อยู่ นะรู้อยู่ในสิ่งเหล่านี้จนะิตใจเป็นกลางๆนะไม่ได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงไม่ได้เพลิดเพลินไปกับรสอร่อยของอาหารรสอร่อยก็ยังมนะีแต่เราไม่ได้ติดใจในรสนั้นรับรู้อยูนะ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากชีวิตประจำวันของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลนะจากการที่เราจเจริญสติ นะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบนั่นเองเพ mm hmm. ราะนั้น mm hmm. การเจริญสติในรูปแบบเนี่ยในระหว่างที่เราทำนะที่เราทำให้มันต่อเนื่องกันได้บ่อยๆตรงนี้นะมันจะเกิดผลนะในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจิตใจมันก็จะเป็นปกติบ่อยๆนะมันก็จะไม่พัดหลงไปใน อารมณ์ไปในความนึกคิดต่างๆการทำการงานอะไรต่างๆก็จะผิดพลาดน้อยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะได้พบก็คือความเป็นปกติของจิตใจนะซึ่งเป็นความสุขเอ่อชนิดหนึ่งนะที่ที่มีอยู่แล้วนะในตัวของเรานะและเป็นเป็นความสุขที่มีอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินเราไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปไขว่คว้า เหมือนตอนที่เราเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสเราก็ต้องวิ่งหาความสุขเอาเงินไปซื้อนะหาสิ่งต่างๆมาเสพนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกแต่ความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินะการที่เรากลับมาเป็นปกติได้บ่อยๆเนี่ยเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราเป็นความสุขที่ได้เปล่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียสตาง นะซึ่งตรงนีนะ้เป็นประโยชน์สูงสุดที่ เ, เราเกิดมาครั้งหนึ่งนะเราควรจะได้สัมผัสกับตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุโกโตแห่งนี้เนี่ยนี่คือเป้าหมายนะที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันมาฝึกนะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ จะเกิดขึ้นได้โดยการคิดจินตนาการแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เรากระทำลงไปตรงๆขยันในการเดินชงกลมขยันในการสร้างจังหวะแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติด้วยปัญญานะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญตั้งลองสังเกตคอยสังเกตถ้าทำแล้วมันทื่อๆมันหนักๆอันนั้นมันก็ จ, จะเป็นการเพ่งจ้องนะเกินไป แนะเราก็ค่อยๆผ่อนนะปล่อยออกไปข้างนอกบ้างนะมองออกไปกว้างๆบ้างนะโดยเฉพาะคนใหม่ๆบางทีตั้งใจทํามากๆก็เพ่งเข้ามาข้างในมากๆนะก็จะเกิดการอึดอัดนะจะเกิดการหนักขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยธรรมชาติเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกแล้วละ่ะนะมันมันมันตึงกินไปแล้วละ่ะนะเราก็ต้องรู้จักผ่อนมองออกไปข้างนอก กว้างๆบ้างนะก็ปล่อยออกไปบ้างนะบางทีทาไปมองออกไปข้างนอกมากมันคิดฟุ้งซ่านนะมันเริ่มย่อนเราก็ดึงเข้ามาข้างในบ้างนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ปฏิภาณไหวพริบนะใช้การสังเกตนะอย่าไปทาแบบทื่อๆทาแบบเออไม่รู้เรื่องอะไรนะตรงนี้ต้องต้องสังเกตต้องใช้สติใช้ปัญญาเหมือนกัน นะ้รู้จากการปรับจิตปรับใจคนที่สามารถที่จะทําความรู้สึกตัวได้บ่อยๆสังเกตได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอาการโปร่งโล่งนะ้าสบายนะ้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าจะไปติดกับมันนะ้นี้ก็เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นนะ้เมื่อเร า, เาหาจุดพอดีของมันนะ้ก็รู้สึกจะเป็นธรรมชาตินะ้ปล่อยวางนะ้ด้วยความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี่แหละนะจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของคนเราเอา่อถ้าเราสังเกตในช่วงสองสมวันนี้เนี่ยนะอากาศมันทึมๆนะคนไม่ค่อยมากนะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเอ่อว้าเวนะรู้สึกเงาๆนะอันนี้ก็เอ่อให้สังเกตถต่ว่าเอา่อความรู้สึกตัวของเรามันไม่ทันนะมันตกอยู่ในสภาพแวดล้อม นะที่เราไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นคนที่มีความรู้สึกตัวดีเนี่ยแม้ว่าสภาพภายนอกจะเป็นอย่างไรนะเขาก็ยังคงมีจิตใจที่เป็นปกติอยู่แม้ว่าอาการเหงาว้าเวอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะก็รู้เท่าทันเพราะอันนี้เป็นเป็นอารมณ์เป็นปรากฏการณ์อันหนึง่งเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยต้องรู้จักการสังเกตแล้วก็ปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดสภาพอย่างไรก็ตามาตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าพัฒนาการของการฝึกของเรานั้นเป็นไปขนาดไหนถ้าเรายังต้องอต้องอาศัยสภาพแวดล้อมภายนอกยังต้องอาศัยบุคคลอื่น นะที่จะทำให้เรามีความอบอุ่นใจนะตรงนี้นะก็แสดงว่าเรายังไม่ เ, เข้มแข็งพอนะเรายังไม่เติบต่อพอสตทิที่เราฝึกมายังยังยังไม่เพียงพอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะบอกบอกเราได้เพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะ สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะของตัวเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถอยู่ได้นะโดยตัวเราเองนะสมกับดังพุทธสภาสิทธิว่าอัตหิอัตโนนาโถนะก็คือตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อได้ประสบกับตัวเองนะเมื่อได้ ฝึกจเจริญสติแล้วนะแล้วก็ได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราคิดว่าตัวเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเราเองได้นะเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องนี้นะเราก็สามารถที่จ ะ, ะแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบะการณ์กับคนอื่นๆนะเป็นการแบ่งปันและประสบะการณ์กันต่อไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันในฐานะกัลยาณมิตรนะที่จะ สนับสนุนคนอื่นๆานที่กําลังเดินทางเหมือนกั น, นเราก็กําลังเดินทางเรียกง่ายๆว่าเราจุงมือไปพร้อมกั น, นด้วยเความรู้สึกตัวนี้เอง น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นสังคมแห่งความรู้สึกตัวเป็นชุมชนแห่งความรู้สึกตัวที่จะช่วยกั น, นไปสู่ความเป็นปกตินะ ภายในจิตใจซึ่งเมื่อเราแต่ละคนมีความเป็นปกติหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสันติสุขในาภายในจิตใจแล้วน่าก็จะทําให้ชุมชนสังคมเนี่ยก็มีสันติสุขไปด้วยนะแล้วก็โลกก็มีสันติสุขไปด้วยเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันก็เรียกร้องหาสันติสุขกันนะก็พยายามไปกําหนดกฎเกณฑ์มีกฎหมายมี ข้อบังคับอะไรต่างๆขึ้นมามากมายซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาก็พยายามกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องทําก็คือเอ่อทำสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจนะด้วยการเอ่อมากลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดสันติสุขในใจและเมื่อมีสันติสุขในใจแล้วก็ทําให้ชุมชนสังคมครอบครัวโลกก็มีสันติสุขไปด้วย นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อเอ่อขอนำเสนอนะแล้วก็เชิญชวนพวกเราทุกคนเนี่ยนะได้ใช้เวลาที่มีอยู่นะเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะนี่เป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ตลอดไปยาวนานแค่ไหนบางทีอาพ่พร่งนี้ตายก็ได้ใช่อย่างโยมเ ง, งะเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าโอ้จะตายไปแล้วนะเราไม่รู้เพราะนั้น ทุกเวลานาทีเนี่ยเป็นเวลาที่ที่มีค่านะที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองนะด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขออ้างอิงเอากุณพระศีรัตนไตรนะก็มีพระพุทธนะก็คือ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นะก็คือสิปัญญาของแต่ละท่านนะที่มีอยู่แล้วนะพระธรรมนะก็คือหลักความจริงนะถ้าเราทำถูกนะก็เกิดธรรมขึ้นมาแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิที่เราใช้ความเพียรพยายามทำให้ถูกต้องนะสมควรแก่ธรรมจงเป็นพระวะปัจจัยทำให้ทุกท่านนะได้เข้าถึง ความเป็นปกติของใจโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินเจริญพร